เจรลญพรท่านผู้มีจิตเมตตาปเญนาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาสร้างสะสมบุญบารมีที่ทำให้พวกเรามีความแตกต่างกันผู้ที่ได้สะสมบุญบารมีมามากก็จะมีความสุขความเจริญมากผู้ที่สะสมบุญบารมีมาน้อยย่อมมีความสุขความเจริญ น, น้อยพวกเราทุกคน จึงมีความแตกต่างกันทั้งในทางฐานะการเงินการทองทั้งในฐานะสติปัญญาความรู้ความฉลาดทั้งในเรื่องของการมีเพื่อนมีฟูงมีบริสุทมีบริวารมีมากมีน้อยต่างกันไปเพราะบุญบรารมีที่สะสมมานั้นมีไม่เท่ากัน เหมือนกับปลูกข้าวถ้าเราปลูกข้าวเพียงไร่เดียวเราก็จะเก็บเกี่ยวข้าวได้เพียงไร่เดียวถ้าเราปลูกข้าวสิบร้ยเราก็จะเก็บเกี่ยวข้าวได้สิบร้ยแล้วถ้านอกจากปลูกข้าวนะแล้วอะรอยังปลูกส้มปลูกสับประรดปลูกผลไม้อะไรต่างๆอีกหลายชนิดเราก็จะได้มีผลที่มากขึ้นไปตามลำดับ ชันใดบุญบารมีนี่ก็เป็นเหมือนการกัดดูข้ขาวลูกต้นผลไม้ต่างๆเพื่อผลที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรามาสร้างบุญบารมีกันอย่างสม่งเสนอถ้าเราไม่สร้างเราก็จะไม่มีอะไรเหมือนคนที่ไม่ปลูกข้าวก็จะไม่มีข้าวเก็บเกี่ยว ไม่ปลูกผลไมก้ก็จะไม่มีผลไม้เก็บเกี่ยวฉันใดถ้าเราอยากจะมีความร่ำรวยในทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเราก็ต้องสร้างทานบา ร, รมีทานบา ร, รมีนี้เป็นเหตุที่จะทําให้เราได้มีความร่ำรวยในภพต่อไปภพนี้ก็ไม่ร่ำรวย พรุนี้มีแต่จะจนลงไปเพราะว่าเงินทองที่เรามีอยู่นี้เราเอามาทำบุญให้ทานกันแต่เราไม่เสียดายเพราะเรามีมากเกินไปอยู่แล้วถึงแม้จะจนลงไปสักหน่อยแต่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรดีกว่าไม่ทำรวยชาตินี้แล้วไปเกิดชาติหน้ายากจนยอมแบ่งสมบัติ ไว้บางส่วนไว้สำหรับทำบุญให้ทานเพื่อจะได้สะสมทรัพย์สำหรับพบหน้าชาติหน้าต่อไปก็ดีกว่าเพราะทรัพย์ทั้งหลายที่เรามีอยู่มากน้อยเพียงไรพอตาเออพอร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถเอาไปกับเราได้ทรัพย์ทั้งหลายที่เราหามาได้ทบเป็นแทกตาย ก็จะกลายเป็นทรัพย์ของผู้อื่นไปดังนั้นถ้าเราพอมีพอกินอยู่อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนกับเรื่องการเงนินการทองเรายาังมีเงินทองเหลืออีกละเหลืออีกมากมายก็อยากเก็บเอาไว้มันเป็นเพียงตัวเลข เ, เท่านั้นเองตัวเลขที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับเราแต่หลอกให้เรารู้สึกดีอกดีใจ ว่าเรามีเงินเป็นน้อยล้านพันล้านแต่มันไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับเราทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่หรือหลังจากที่เราตายไปเลยมันก็เป็นตัวเลขอยู่ในสมุดบัญชีเท่านั้นเองแต่ถ้าเราเอามาทาบุญนี้เราก็จะได้มีความสุขจากการทาบุญเพราะเราได้ชนะความตระนี่ชนะความหวง ชนะความโลภความโลภนี้แหละที่ทำให้คนที่มีเงินมากมากรู้สึกไม่อิ่มไม่พอได้มาเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่ายังอยากได้ขึ้นไปอีกเหมือนคนกินข้าวไม่อิ่มพอไม่ได้กินข้าวใจไม่ได้กินข้าววิธีที่จะให้อาหารใ ห, ให้ใจได้กินข้าวก็คือเอาเงินทองที่มีอยู่มากเกินไปนี้ เอาไปทำบุญให้ทานพอเราทำบุญให้ทานแล้วใจของเราก็จะเกิดความอิ่มเอิบใจขึ้นมาความโลภอยากได้เงินทองก็จะน้อยลงไปถ้าเราทำบ่อยๆมากๆต่อไปเราจะไม่อยากได้เงินทองเราอยากจะได้ความอิ่มใจเพราะความอิ่มใจนี้เป็นประโยชน์กับใจของเราทําให้เรามีความสุข ความอิ่มใจแต่การได้เงินทองมามากๆล้ว เ, เก็บเอาไว้เฉยๆไม่ได้ทำให้เราเกิดความอิ่มใจแต่กลับทำให้เราเกิดความหิวอยากได้มากเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วถ้าเราไม่ระมัดระวังถ้าเราทำตามความอยากหาเงินหาทองมาเพิ่มด้วยการทำบาป ท, ทำกรรมเวลาตายไปนี้จะต้องไปเกิดเป็นเปรต ผู้ที่ไปเป็นเปรยก็เพราะว่าไม่ทำบุญให้ทานใจจึงมีความหิวอยากได้เงินทองมากๆพอเวลาหาก็ไม่สงไม่ไม่กลัวบาัวอะไรอยากจะได้มามากน้อยเพียงไรถ้าต้องโกหกก็โกหกถ้าต้องโกง ก, ก็โกงถ้าต้องฆ่าก็ฆ่าเพื่อให้ได้เงินทองให้มากยิ่งขึ้นไป นี่คือการสร้างใจให้ไปเป็นเปรตถ้าไม่อยากไปเป็นเปรตต้องหมั่นพยายามทำบุญอยู่เรื่อยๆเพราะจะทำให้ใจไม่หิวไม่อยากได้เงินทองมากจนเกินไปนี่คือทานบรารลีที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างเช่นในสมัยที่เป็นพระเวชสัดนดรพระองค์ทรงให้แจกข้าวของเงินทองสมบัติอะไรต่างๆ ถ้าใครเดือดร้อนใครอยากจะได้มรขอพ่อหลวก็จะให้ไปให้จนแม้แต่ลูกก็ยังให้นี่คือความยิ่งใหญ่ของฐามบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์เวลาท่านตายไปท่านก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วพอลงมาจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะกลับมาร่ำรวยกลับมาเป็นลูกของกษัตริย์ มีบริษัทบริวารมีทรัพย์มากมายมีปราสาทสามฤดูนี่คืออนิสง์ของทางบรมีของพระเวชสังดอนแล้วก็ไม่ยึดติดกับสมบัติเข้าของเงินทองพอถึงเวลาที่จะต้องสละราชสมบัติเพื่อเสด็จออกบวชเพื่อจะได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ก็สามารถสละได้อย่างแน่ดาย ไม่รักไม่หวงไม่เสียดายทรัพสมบัติต่างๆที่มีอยู่นี่คืออำ น, นาจของทานบารเมที่จะส่งให้จิตใจของเราก้าวขึ้นไปสูงขึ้นไปจนได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือได้เป็นพระอรหันต์ตามลำดับต่อไปดังนั้นนี่คือบารเมีข้อที่หนึ่งที่เราควรที่จะมั่นบำเพ็ญกันควรทำกันทุกวันให้ติดเป็นนิสัย อย่ารอทำนานานทำทีก็เหมือนกับนานารับประทานอาหารทีจิตใจก็จะไม่อิ่มจิตใจก็จะหิวแล้วก็จะโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ต้องไปวุ่นวายกับการหาสิ่งนั้นสิ่งนี้และอาจจะต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้เพราะความโลภความอยากเนื่องจากใจขาดอาหาร คือขาดทานบารานีนี้เองดังนั้นจึงควรฝึกหัดให้ทานอยู่เรื่อยๆเหมือนที่ชาวบ้านเขาใส่บาตรกันทุกวันเวลาถ้าไม่มีพระผ่านมาทางบ้านเราเราก็ใช้วิธีเอาเงินที่เราจะซื้ออาหารใส่บาตรนี้ใส่กระปุกเอาไว้ก่อนใส่ไปทุกวันทุกวันแล้วพอเวลาที่เราไปวัดเราก็เอาไปถวายวัด อย่างนี้เราก็จะได้มีจิตใจที่อิ่มมีความสุขอยู่ทุกวันเราจะช่วยลดละความความโลภความอยากได้เงินทองและลดละความตันหนีความหวงในเงินทองเวลาที่จะต้องจากเงินทองไปจะไม่รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจเหมือนกับวันนี้ที่ญาติโยนนำอาหารเข้าหวาน นำเงินทองมาถวายวัดญาติโยมเสียเงินทองไปแต่ไม่เสียดายไม่เสียใจกับมีความสุขใจมีความอิ่มใจเพราะมีความพอใจที่จะเสียนั่นเองถ้าเราหัดพอใจที่จะเสียอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราจะต้องตายจากโลกนี้ไปเราจะตายอย่างสงบเราจะไปสู่สุคติ ใจของเราจะไม่ว้าวุ่นขุน ม, มัวไม่เศร้าส้อยน้อยหนหงไม่เศร้าสศกเสียใจนี่คือทานบา ร, รมีที่เราควรจะหมั่นทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าหรือได้เป็นพระอาหารหันต์เมื่อเราได้ถึงขั้นนั้นแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องทำอีกต่อไปเพราะเราไม่ต้องกลับมาเกิอดอีกแล้ว ไม่ต้องกลับมาทุกข์ยากลาบากกับการมีชีวิตกับการเกิดการแก่การเจ็บการตายการเกิดนี้มันไม่ดีเพราะเกิดมาแล้วต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ต้องทำมาหากินต้องดูแลรักษาร่างกายด้วยอาหารด้วยยารักษาโรคด้วยที่อยู่อาศัยด้วยเครื่องนุ่หงห่มแล้ว ไม่นานมันก็แก่แล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดมันก็ตายไปการเกิดจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเพราะวามเกิดนี้เป็นความทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเราได้หมั่นสร้างบารณีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะเป็นชาตินี้เลยก็ได้ถ้าเราได้สะสมบาราีมาพอเราก็จะสามารถปฏิบัติธรรม ทำให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยการสร้างทานบาณีแล้วก็ขยับมาขั้นที่สองก็คือสร้างศีลบาลีศีลบาลีก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการไม่ฆ่าไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่น ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พู ด, ดโกรโกหกหลอกลวงไม่เสพชูลายาเมาและอบายามุกต่างๆเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นโทษกับจิตใจทำให้จิตใจว้าวุ่นผุนมัววิตกกังวลหวาดกลัวไปกับผลไปกับบาป ท, ที่ ต, น, ตนได้ทำไว้คนที่ไม่ทำบาปคนที่รักษาศีลได้ จิตใจจะมีความมั่นคงจะไม่กังวลจะไม่หวั่นไหวพะรู้ว่าไม่ได้ทำอะไรที่เสียหายจึงรู้ว่าไม่มีผลเสียหายเกิดขึ้นตามมาแต่คนที่รักษาศีลไม่ได้นี่ใจจะไม่เป็นปกติใจจะมีความวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาตายไปถ้าไม่รักษาศีลก็จะต้องไปใช้บาปในอบาย ไปเกิดเป็นเปรบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างแต่ถ้ารักษาศีลห้าได้ตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปก็ได้จะเกิดในสวรรค์หรือ ไ, ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คืออนิสงส์ของศีลบาลีที่ถ้าพวกเราอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทพไม่อยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่อยากจะไปเป็นเปรตไปตกนรก เราก็ต้องหนุนสร้างศีลบารมีรักษาศีลให้ให้เป็นนิสยัยเป็นนิดจศีลคือรักษาทุกวันถ้ารักษาทุกวันได้แล้วโอกาสที่จะไปเกิดในอบายนี้มีน้อยมากนอกจากเราพลาดพังบา ง, บางเวลาบางเวลาอันนี้ก็ยังอาจจะมีโอกาสที่ทำให้เราไปเกิดในอบายได้แต่ถ้าเรา ยอมตายดีกว่าทำบาอย่างนี้เราจะไม่ต้องไปเกิดในบายอย่างแน่นอนสาเหตุที่เราบางทีต้องทำบาเพราะเรายังกลัวตายกลัวทุกข์ยากลาบากเราก็เลยไปทำบาแต่เราไม่รู้ผลของการทำบาว่ามันไล่แรงก่อความทุกข์ยากลาบากกว่าความตายเพราะยังไงคนเราเกิดมาไม่ช้าก็เลยก็ต้องตาย ไม่ชาก็เร็วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเรายอมทนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยยอมตายรักษาศีลบา ร, รมีให้บริสุธได้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดนิยาบายอย่างแน่นอน <S 2> <S 2> <ừ. S 1> ถึงแม้เราเคยทำบาป ท, ทากรรมมามากน้อยเพียงไรถ้าเราสามารถรักษาศีลได้ยิ่งกว่าชีวิต เวลาตายไปไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายต่อไปนี่คือเรื่องของศินบา ร, รมีถ้าเรารักษาสินบาลามีแล้วเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บ่อยมีโอกาสได้มาสร้างบุญบาลามีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อตัดทบตัดชาติให้น้อยลงไปเรื่อยเมื่อเรารักษาสีบาลเจริญศินบา ร, รมีได้แล้วเราก็มาจเจริญ เนคขมะบาลมีต่อไปเนคขมะบาลมีก็คือการออกจากความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายทำรูปเสียงกลิ่ น, นดสหมายความว่าไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆจะหาความสุขจากการทำใจให้สงบเพราะความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี้เป็นความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายและเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขที่พวกเราหาทางตาหูจมูนนกนิ้วมือการนี่เป็นความสุขประเดียวประดาวเช่นไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาอยู่บ้านก็มีความเศร้าสร้อยห้อยเหงาว้าเวมีความทุกข์ตามมาต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถทําใจให้สงบได้ เราอยู่ที่ไหนเราก็จะมีความสุขได้ไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้เรามีความสุข ด, ด้วยนี่คือเนคขมมะบารมีก็คือการถือสิงแปรหรือการออกบวชนี่ผู้ใดถือสิงแปได้ผู้นั้นก็จะมีความสุขทางใจไม่ต้องเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพไม่ต้องกังวลกับเรื่องตาหูจมูกนิ้กา ถึงแม้ไม่มีตาไม่มีหูเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วดก็ยังมีความสุขได้เพราะสามารถทําใจให้สงบได้แต่ผู้ที่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเวลาไม่สบายขึ้นมาก็จะไม่หาไม่สามารถหาความสุขได้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจนี่คือเรื่องของเนธธรรมะบารมี ที่พวกเราจะต้องพยายามเจริญให้ได้อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะถือศีลแปสักครั้งหนึ่งก็คือในวันพระนี่เองวันพระเป็นวันที่พระเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้ามาบำเพ็ญบรารมีต่างๆเช่นทางบรารมีศีลบรารมีเนคข ม, มะบรารมีและปัญญาบรารมี ปัญญาบาลมีก็คือความรู้ความฉลาดที่เราจะเป็นจะต้องมีเพราะใจของเราตอนนี้ยังไม่ฉลาดยังถูกความหลงความโง่ครอบงำจิตใจทำให้เราไม่สามารถเห็นความจริงได้จึงทำให้เราหลงไปยึดติด ก, กับสิ่งที่เป็นทุกข์หลงให้เราให้เราหลงไปยึดติด ก, กับการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเรามีปัญญา เราจะเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้ไม่ดีเป็นทุกข์เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสามารถหยุดความหลงที่จะไปเกิดใหม่ได้เหตุที่จะทําให้ใจไปเกิดใหม่ก็คือความอยากต่างๆนี่เองเช่นอย่างในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภพเร า, าก็ถ้าเรารู้ว่า มันจะพาให้เราไปเกิดใหม่เพราะถ้าเรายังมีความอยากอยู่เวลาร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อมาทาหน้าที่แทนร่างกายอันเก่านี้เพราะเรายังอยากเห็นรูปยังอยากฟังเสียงอยู่เราก็ต้องมีร่างกายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแต่ถ้าเรามีปัญญารู้ว่าความอยากนีเป็น เป็นทุกข์แก่จิตใจเพราะจะทำให้เราต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆเราก็หยุดความอยากเสียถ้าเราหยุดได้เราก็ไม่ต้องไปเกิดเช่นเดียวกับความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เ ป, เป็นโตอยากมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีอะไรต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องไปเกิดใหม่เช่นเดียวกับความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เช่นเดียวกัน เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายเวลาตายก็หนีความตายทิ้งร่างกายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายใหม่เราก็เลยต้องวนเวียนอยู่กับการเวียนว่าตายเกิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนเอาไปสอนใจเราให้รู้ว่าการเวียนว่าตายเกิดของเรานี้ เกิดจากความอยาก3ประการคือการมากตัณหาอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นเราก็เอาไปปฏิบัติพยายามฝืนความอยากเหล่านี้ด้วยการอาศัยการปฏิบัติทำใจให้สงบถ้าใจเราสงบนี้ใจของเราจะมีความสุข จะไม่หิวก็จะสามารถตัดความอยากในรูปสิยงกลิ่นลดได้ตัดความอยากมีอยากเป็นได้ตัดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้เมื่อเราตัดได้เราก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของบารามีต่างๆที่เรามาบำเพ็ญกันที่ทำให้เรามีความแตกต่างกันคนที่มีปัญญาบารมีก็จะเป็นคนที่ฉลาด คนที่ไม่มีปัญญาบารมีก็จะเป็นคนงอกเผาเบาปัญญาส่วนคนที่มีความเมตตาบารมีก็จะเป็นคนที่ไม่มีศัตรูเพราะผู้ที่มีเมตตาก็คือผู้ที่ให้อภัยได้ไม่จองเวรจองกรรมแก่ผู้อื่นผู้ใดทำร้ายเราทำให้เราโกรธทำให้เราเกลียดเราก็จะยกโทษให้เขาไปให้อภัย ว่าเราเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราไม่อยากจะมีเวรมีกรรมไม่มีศัตรูมาคอยราวีมาคอยทำร้ายเราเราก็ต้องหมัน่นเจริญเมตตาบาลีคือเอาโหสิกรรมให้อภัยอย่าไปถือโทษกดเคือ ให้คิดสียว่าเป็นการใช้นี่ก่าไปเราคงไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจให้เขาเดือดร้อนเขาจึงต้องมาทำให้เราเดือดร้อนเพราะโดยปกติแล้วคนเราถ้าไม่มีใครมาทำให้เราโกรธให้เราเดือดร้อนเราก็จะไม่ไปทำให้เขาโกรธให้เขาเดือดร้อนอย่างนั้นถ้าเขาทำให้เราโกรธให้เราเดือดร้อนก็แสดงว่าเราคงไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจให้เขา เจ็บใจให้เขาซ้าช้ำใจเขาจึงต้องมาทำเราแต่เราจะไม่ทำต่อเพราะเราไม่ต้องการที่จะให้มันยืดเยื้อไปเราต้องการระ ง, งับเวรระ ง, งับกรรมเราก็ต้องระ ง, งับด้วยความเมตตาต้องแผ่เมตตาให้กับเขาให้อภัยการแผ่เมตตานี้ไม่ใช่แผ่ตอนที่เราสวดมนต์ไหว้พระอยู่ในห้องพระ อันนั้นเป็นการซ้อมทาการบ้านเวลาจะแพ้จริงๆต้องเวลาที่เราเจอคู่ต่อสู้ของเราเจอคู่อะไรเจอศัตรูเวลาเขาแยากเที่ยวใส่เราด่าเราก็ให้เรายกมือว่าสาธุสาธุให้เขามีความสุขถ้าเขามีความสุขจากการด่าเราก็ปล่อยให้เขาด่าไปให้คิดตามที่พระเจ้าทรงสอนไว้ว่าถ้าเขาไม่ชอบเราเขาเพ่งแต่ด่าเรา เราก็เราก็ต้องคิดว่าดีแล้วที่เขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราเขายังไม่ก้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วเพราะการอยู่นี้การเกิดนี้ไม่ดีเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อถึงเวลาจะต้องตายก็ยอมตายถ้ายอมตายแล้วจะไม่ทุกข์ใจเหมือนกับที่เรายอมเสียเงินในวันนี้ เวลาเรายอมเสียเงินยากเราจะไม่ทุกข์ใจไม่เสียใจถ้าเรายอมตายเราก็จะไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจเช่นเดียวกันเพราะเราไม่ได้ตายกลับไปกับร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจที่ไม่มีวันตายเพียงแต่จะทุก์หรือไม่ทุกข์เท่านั้นเองถ้าเรายอมตายเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือการสร้างนิส์นี่คือการไม่ ไมไม่ให้มีศัตรูเราต้องอย่าไปถือโทษโกรธเคืองผู้อื่นต้องให้าภัยได้ตลอดเวลาแลบาลานีข้อสุดท้ายที่พูุทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างก็คือเมฆัมมะบาลาีแปลว่าให้เราทาใจให้เป็นกลางอย่าไปมีอคติเช่นอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลง เพราะถ้าเรามีความรักความชังมีความกลัวความหลงใจของเราก็จะต้องดิ้นลนถ้ารักก็ต้องดิ้นลนแสวงหาสิ่งที่เรารักถ้าชังก็ต้องดิ้นลนหาทําลายสิ่งที่เราชังถ้ากลัวก็ต้องดิ้นลนหนีถ้าหลงก็จะถูกหลอให้เวียนว่ายอยู่ในวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราต้อง มันสร้างอุเบกขาบาราีขึ้นมาด้วยการทำใจให้สงบนี่เองถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบใจของเราก็จะเป็นอุเบกขาจะวางจะวางเฉยได้แต่จะวางเฉยได้เฉพาะอยู่ในสมาธิพอออกมาจากสมาธิก็พอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมา ตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปรักอย่าไปชังเพราะรักแล้วจะทําให้จิตใจของเราว้าวุ่นขุ่นเบื่ชังแล้วก็จะทําให้จิตใจของเราวุ่นวายเราต้องปล่อยวางอย่าไปสนใจกับสิ่งที่เราเห็นปล่อยเข้าไปตามเรื่องของเขาเขาจะดีเขาจะชั่วก็เรื่องของเขาเพราะอย่างไงในที่สุดเขาก็ต้องเสื่อมหมดไปอยู่ดี ถ้าเรารักเราได้สิ่งที่เรารักมาเราก็จะต้องมาทุกกับสิ่งที่เรารักเวลาเขาจากเราไปเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจถ้าเราไม่รักเราก็ไม่ต้องเอาเขามาเป็นสมบัติของเรานี่คือวิธีที่จะสอนใจให้เราอยู่อย่างสงบอยู่อย่างไม่มีปัญหาอยู่อย่างไม่มีเรื่องในลราด้วยการสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาคือนิขัมบะบารมี การที่เราจะสามารถสร้างบรารมีหลังนี้ได้เราก็ต้องมีอธิษฐานบรารมีคือความตั้งใจคำว่าอธิษฐานนี่หมายความว่าตั้งใจไม่ได้หมายความว่าขอมันมีสองความหมายแต่ความหมายที่พระเจ้าทรงตัดไว้นี่หมายถึงให้เราตั้งใจเช่นให้เราตั้งใจมาวัดมาสร้างบรารมีกันมาสร้างทานบรารมีสร้างศีลบารมีน่ขัมมะบรารมี เพราะถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่ได้มาทําถ้าเมื่อวานนี้เราไม่ได้ตั้งใจว่าวันนี้จะมาวัดพอตื่นขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะทําอะไรเราก็อาจจะนอนต่อไปหรือถ้ามีใครมาชวนให้ไปทําอะไรเราก็จะไปแต่ถ้าเราตั้งใจว่าวันนี้จะมาวัดพอเราตื่นขึ้นมาเราก็จะออกเดินทางมาที่วัดเลยนอกจากมีอาธิฐานแล้วเราก็ต้องมีสัจจะคือมีความจริงใจว่า ถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราจะต้องทำให้ได้ไม่ใช่ตั้งใจแล้วพอมีเพื่อนมาชวนให้ไปทำอย่างอื่นก็จะไปทำอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสัจจะถ้าเรามีสัจจะเราก็จะทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้เช่นวันนี้ตั้งใจจะมาวัดก็ต้องมาวัดอย่างเดียวคนอื่นจะมาชวนไปทำทุลระไปเที่ยวหรือไปทำอะไรเราก็ต้องบอกก็ว่าไปไม่ได้วันนี้ตั้งใจว่าจะมาวัด อย่างนี้เรียกว่ามีสัจจะมีสัจจะแล้วก็ต้องมีวิริยะคือต้องมีความภาคเพียรพยายามพอเราตั้งใจจะมาวัดเราก็ต้องพยายามเตรียมข้าวเตรียมของขับรถขับลาเอาเนินทางมาถ้าเราไม่มีความภาคเพียรเราเอาว่าวันนี้ขี้เกียจตื่นขึ้นมาง่วงนอนเราก็จะมาวัดไม่ได้เราต้องเอาชนะความขี้เกียจ ด, ด้วยความขยันด้วยความภาคเพียร นอกจากนั้นเราก็ต้องมีความอดทนด้วยเพราะการกระทําบางอย่างที่เราที่ที่เราต้องทําแต่เรามักจะรู้สึกว่ามันยากเราก็ต้องใช้ความอดทนให้เราคิดว่าทําแล้วเราจะได้ดิบได้ดีต่อไปพบหน้าชาติหน้าชีวิตของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปถ้าเรามีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติ เราก็จะสามารถสร้างทานบารมีได้ศีลบารมีได้เนคขมมะบาลมีได้เมตตาบาลมีได้ปัญญาบาลมีได้และอุบเบกขาบามีได้เมื่อเราสร้างได้แล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่เจะเรนุ่งเนขึ้นไปตามลำดับในแต่ละภพแต่ละชาติจนได้ถึงขั้นสูงสุดคือได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือวิธีที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติมาแล้วนำมามาสั่งสอนพวกเราถ้าพวกเราน้อมเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกันกบที่พระเจ้าได้ทรงรับดังนั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างบุญบารมีหลังนี้ให้ท่านได้นำเอาไป พ, าพิจิพนะิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตน้ายและคุณกุศลที่ท่านได้มาบงเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่พามสุขพามเจริญแควพลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ